32- การเจริญเวทานานุปัสสนาวงเล็บเปิด 1- 21่กุมภาพันธองพ5 5หในวงเล็บสองวงเล็บปิดถ้าเราภาวนาแล้วใจไม่เป็นกลางคือเราภาวนาผิดการภาวนานี่ไม่ใช่ภาวนาเพื่อให้หายเมื่อยแต่เราภาวนาไปจนกระทั่งเห็นความจริงเลยร่างกายก็ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยเป็นส่วนหนึ่งจิตเป็นส่วนหนึ่งเพอ ร, ร่างกายปวดเมื่อยจิตมันรักกายนะ มันก็ทุรนทุรายไปเรื่อยเราก็เห็นอีกความทุรนทุรายก็เป็นอีกส่วนหนึ่งค่อยๆแยกขันไปในที่สุดก็เห็นขันแต่ละขันทําหน้าที่ของมันไปร่างกายก็ทําหน้าที่ของร่างกายไปยืนเดินนั่งนอนไปเวทนาก็ทําหน้าที่ของเวทนาปวดเมื่อยไปจิตก็ทําหน้าที่รู้ไปสังขารก็ทําหน้าที่ปรุงดีปรุงชั่วเขาก็ทําหน้าที่ของเขาถ้าเห็นแต่ละขันแต่ละขันทําหน้าที่ของตัวเองนะเราก็ไม่เกี่ยวข้องแล้ว ไม่ใช่เราทำแล้วไม่ใช่ฝึกเพื่อให้หายวงเล็บเปิด2 8มกราคม2552รในวงเล็บสองวงเล็บปิดการที่จะตามดูสภาวะที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั้นจิตที่ไปดูต้องมีคุณภาพจิตที่ดูต้องดูอยู่ห่างๆอย่าดูแบบถลําลงไปดูนะให้ดูเล่นๆเราไม่ได้ดูเพื่อให้มันดับรู้สึกไหมตอนที่มันปรากฏอยู่นี่มันไม่ใช่ตัวเราตั้งแต่ตอนที่มันยังปรากฏอยู่ ไม่ต้องไปดูให้มันดับไปตอนที่มีอยู่นี่ก็ไม่ใช่ตัวเราแล้วเป็นอนัตตาแล้วบางคนเจริญเวทนานุปัสนาต้องนั่งทนไปทนดูไปเรื่อยๆจนเห็นเลยกายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งไม่สัมพันธ์กันไม่เกี่ยวกันถ้าคนดูกายนะนั่งแล้วมันเมื่อยก็ขยับไปเราเห็นเลยเมื่อกี้รูปนั่งตอนนี้เป็นรูปยืนรูปเดินใช่ไหมเราเห็นรูปมันเปลี่ยนแปลง รูปไม่ใช่ตัวเรานี่สำหรับคนดูกายถ้าคนดูจิตนั่งแล้วปวดจิตกระสับกระสายรู้ว่ากระสับกระสายเปลี่ยนอิรยาบทแล้วหายกระสับกระสายดีใจขึ้นมามีความสุขขึ้นมารู้ทันอีกนี่คนดูจิตเขาก็ไม่ต้องทนนั่งก็แล้วแต่ต้องการอะไรให้รู้ทันใจเราก่อนฉะนั้นให้ทำความสงบเข้ามาทาใจให้สงบสบายก่อนพอจิตใจสบายแล้วก็ตามรู้เวทนาไป การรู้เวทนาแบบวิปัสนาไม่ใช่รู้เฉพาะเวทนาแต่เราจะเห็นเลยเวทนาก็อยู่ส่วนหนึ่งกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเห็นเวทนาไปเรื่อยแต่เห็นอันอื่นด้วยไม่ใช่รู้เฉพาะอันใดอันหนึ่งการภาวนาถ้าจงใจจะรู้เฉพาะอารมณ์อันใดอันหนึ่งจะกลายเป็นเพ้งไปหมดเลยเพราะฉะนั้นตอนไหนเวทนาเด่นจิตก็ไปรู้เวทนาพอรู้เวทนาแล้วจิตงดหงิดขึ้นมาอยากหายความงดหงิดเด่นขึ้นมา ก็รู้ว่างดหงิิบไม่มีอะไรจะดูเราก็รู้เวทนาไปเอาเวทนาเป็นวิหารธรรมอันไหนเด่นดูตรงนั้นแหละไม่ใช่ดูเฉพาะเวทนาคำว่าในเครื่องหมายคำพูดวิหารธรรมหมายถึงเป็นเครื่องอยู่พื้นฐานเวลาไม่มีอะไรจะรู้ก็มารู้สิ่งที่เป็นวิหารธรรมเช่นใช้เวทนาเป็นวิหารธรรมสมัยหลวงพ่อภาวนาหลวงพ่อใช้จิตเป็นวิหารธรรมบางคนก็ใช้กายเป็นวิหารธรรม เช่นรู้ลมหายใจรู้ท้องพองยุบรู้ยืนเดินนั่งนอนอะไรอย่างนี้วิหารธรรมไม่ได้แปลว่าต้องรู้เฉพาะสิ่งนั้นอย่างหลวงพ่อดูจิตร่างกายเคลื่อนไหวหลวงพ่อก็รู้หรือเราดูเวทนาร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งเราก็เห็นจิตใจเราทุรนทุรายขึ้นมาเพราะเวทนาแรงเราก็เห็นไม่ใช่รู้อันเดียวอย่าให้รู้อันเดียวนะอันไหนเด่นก็ให้รู้อันนั้น สติไม่ใช่จงใจบังคับว่าต้องไปรู้อันเดียว